ขอนอบน้อมพระรัตนตัยพระพุพะทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่จะดึก ถ, ถึงของพวกเราทั้งหลายข อ, อการหมู่สงแล้วก็เจตนนธรรมไม่ชีแล้วก็ญาตินนธรร ม, ม ท, ท, ทุกคนพวกเราฟังธรรมหลังจากได้ทาวัดสวดมนต์ฟังธรรมก็คืออะไรฟังเรื่อง ที่เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตของเรานะแนวทางปฏิบัติคือแนวทางอะไรในการใช้ชีวิตนะชีวิตของเราจะให้มันน่องลอยไปตามกระแสะนะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไปแค่นั้นเหรอแต่แนวทางชีวิตที่ดีที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําท่านบอกสอนของเราคืออะไรคือแนวทางการใช้ชีวิตที่จะทําอย่างไรให้มันไม่ทุกข์นะ หรือให้ทุกน้อยที่สุดนะเพราเรารูจักความทุกข์ไหมนะความทุกข์อยู่ที่ไหนนะความทุกข์ก็มีกันทุกคนนะความทุกข์อยู่ที่กายแล้วก็อยู่ที่ใจนี่แหละนะเราทุกกายนะเพราะว่ามีร่างกายก็เป็นกันทุกคนนะจะเป็นพระจะเป็นโยมก็มีความทุกคนคนากายเช่นกันทุกคนนะแต่ความทุกข์ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่เราสามารถ ฝึกหัดปฏิบัติได้นะในการปฏิบัติธรรมคือการฝึกหัดให้จิตใจมีความทุกข์น้อยที่สุดนะหรือว่าไม่ทุกข์เลยอันนี้คือสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้ใจมันไม่ทุกข์นะไม่ว่าจะเกิดอะไรกับชีวิตนี้เกิดอะไรกับโรคใบนี้นะแต่เราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับโรคใบนี้กับชีวิตนี้อันนี้แหละคือความสําคัญที่เราต้องปฏิบัติธรรมนะ ถ้าเรากลับมาทบทวนดูชีวิตเราเราเคยร้องไห้ไหมนะเคยเสียใจหรือเปล่านะเคยรู้สึกเศร้ารู้สึกเงาหรือเปล่าอันนั่นแหละที่เรียกว่าความทุกข์นะเราจะปฏิเสธว่าชีวิตเราไม่มีความทุกข์นะมันเป็นไปไม่ได้นะเราทุกข์เพราะความพัดภาคสูญเสียทุกข์เพราะความไม่ได้อย่างสิ่งที่รักที่พอใจทุกข์เพราะความเอ่อเรียกว่าสิ่งที่รักที่พอใจเข้าจากไปนะ ทุกข์เพราะว่าการยึดมั่นถือมั่นนะอยากจะได้แต่ก็ไม่ได้ก็เกิดความผิดหวังนะทุกข์เพราะอะไรเนี่ยแหละทุกข์เพราะว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมีความหลงผิดนะอันนี้คือความทุกข์นะถ้าใครปฏิเสธความทุกข์นะเมื่อนั้นก็คล้ายๆปฏิเสธวิธีที่จะออกจากความทุกข์อะนั้นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนท่านสอนให้เรากลับมาดูความทุกข์ที่มันมีการทุกคนเนี่ยแหละนะทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้าง มันทุกข์กันทุกคนนะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ว่าจะเป็นพระว่าจะเป็นโยมมันมีความทุกข์ถ้าเราไม่มีความทุกข์เราไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมก็ได้นะแต่บางคนก็คิดว่าชีวิตนี้สุขบ้างทุกบ้างหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างมาเป็นธรรมดาของชีวิตนะมันก็ใช่นะแต่เราจะปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นจนกระทั่งเราตายไปเหรอนะถ้าเราปล่อยให้เป็นเช่นนั้นจนกะ่งาตายไปนะเราสังเกตดูบางทีคนเท่าคนแก่ที่เขาไม่ได้ฝึกหัดจิตใจนะ ยิ่งนานวันไปกับยิ่งทุก์มากกว่าเก่านะกับยิ่งเรียกว่าปล่อยวางได้น้อยกว่าเก่านะมีความยึดมั่นถือมั่นมากกว่าเก่าหดหงิดมากขึ้นนะอารมณ์เสียง่ายขึ้นอันนั้นคือคนที่ไม่ได้ฝึกนะแต่ถ้าเรามาฝึกหาดจิตใจของเราตั้งแต่ตอนนี้นะหรือว่าพวกเราหลายคนก็ฝึกมามาบ้างฝึกมานานแล้วก็มีแล้วแต่นะจะทําให้เราจับปล่อยวางมากขึ้น แล้วก็รู้จักความทุกข์ได้มากขึ้นนะเราต้องมาทําความรู้จักกับความทุกข์ที่มันมีนะความทุกข์ที่มันมีในกายในใจนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษานะในการฝึกหัดภ า, าวนาเนี่ยทุกข์คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะทุกข์คือสิ่งที่เราต้องรู้ไม่ใช่สิ่งที่เราปฏิเสธนะส่วนใหญ่บางคนนะไม่ชอบความทุกข์ที่ว่าทุกคนน่ะแหละนะเกียดทุกข์นะรักสุขนะ ไม่อยากได้ความทุกข์อยากจะได้แต่ความสุขอย่างเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะสิ่งที่พระยาชันสอนเราคือสอนให้เรามาเรียนรู้จากความทุกข์จริงๆนะทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะเราต้องม า, มารู้จักความทุกข์ตรงนี้นะเรามารู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายเป็นแบบไหนความทุกข์ที่เกิดขึ้นกะับใจเป็นแบบไหนนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายมันมีเป็นประจําสังขารกับร่างกายนี้นะหนีก็ไม่พ้นนะ แต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจมันมีสาเหตุสาเหตุของความทุกข์คืออะไรคือตัณหาคือความทะยานอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอาหรือบางทีก็เรียกว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเอาก็มีนะเรียกว่าความอยากตอนนี้แหละนำมาสร่งความทุกข์นะถ้าเราเห็นว่าโอ้ความอยากก็ดีหรือว่าความไม่อยากนะไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมี ไม่อยากเอาแบบนี้นะก็คือเป็นความอยากเหมือนกันแหละนะนะความที่เรียกว่าเรียกองค์รวมมาตัญหาคือความอยากเนี่ยคือสาเหตุของความทุกข์เรามาละตรงนี้นะเราไม่ใช่ละที Wen ่ตัวทุกข์โดยตรงทุกข์คือสิ่งที่เราต้องรู้อ๋อความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วเช่นเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดความทุกข์เกิดขึ้นเกิดความเงาเกิดขึ้นอะไรแบบนี้คือใจเราหวั่นไหวแล้วนะใจมันไหวหวั่นไหวก็คือใจมันเกิดความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะ อาการทุกคืออาการที่มันหวันไหวอาการที่มันไม่ปกตินี่คืออาการที่เรียกว่าทุกนะมันเกิดขึ้นเพราะว่ามีตัณหามีความอยากบ้างมีความไม่อยากบ้างนะเป็นธรรมชาติพอเรารู้ทันว่าใจเราวันไหวนะมีสติรู้ทันนะจิตมันจะเกิดความไม่วันไหวเกิดความเป็นปกติมันก็คือละความอยากนะถ้าเราแค่สังเกตแค่เห็นเฉยว่าเอาเออาการนี้มันเกิดขึ้นกับจิตนะจิตมันก็จะไม่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิต ถ้าเราสังเกตนะเวลาเราปฏิบัติธรรมก็ดีหรือขณะที่เราปฏิบัตินอกรูปแบบก็ดีถ้าเราเพียงแค่ตามรู้นะอย่างที่ท่านพ่ะคขากเขียนท่านสอนว่าให้เราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ดูก็ดีถ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะเมื่อนั้นมันมีแต่สภาวะที่มันทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์อันนี้คือหลักของการปฏิบัติธรรมนะเราจะเห็นว่าความทุกข์มันเป็นเพียงแค่อาการ ของกายก็ดีความทุกข์เปลี่ยนแปลงอาการของใจก็ดีแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไปยึดถือว่าอาการนั้นเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อนั้นมันก็ไม่ทุกนี่อันนี้คือสิ่งที่เราฝึกหัดนะเหมือนกับเพ้ายๆน้ําร้อนหรือว่าไฟมันก็อยู่ของมันต่างหากแต่เมื่อเราจะร้อนเมื่อไหร่เมื่อเราเอามือไปจับเมื่อมันมาสัมผัสกับร่างกายนี้มันก็เกิดเป็นความร้อนใช่ไหมจิตใจก็เช่นเดียวกัน เมื่อไรที่ที่เราเห็นมันเป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเมื่อนั้นมันก็ไม่ทุกนะมันมีแต่สภาวะที่มันทุกโดยธรรมชาติแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกอันเนี้ยคือเรามาละสาเหตุของความทุกข์คือละที่ตรงนี้นะละที่ตรงนี้มันจะทําให้เกิดความที่เรียกว่ามันไม่ทุกนะหรือสภาวะที่เรียกว่านิโรธนะก็คือความดับทุกข์นะอันนี้แหละคือแนวทางของการปฏิบัติ ภาวนาหรือว่าการเจริญมรรคมีองศาศ์นะคือทางสายกลางเนะี่ยการปฏิบัติธรรมจะเป็นรูปแบบใดวิธีไหนก็แล้วแต่เรามาฝึกหัดเพื่อฝึกจิตใจให้มันเห็นความจริงเห็นความจริงนะยอมรับความจริงนะแล้วก็ไม่ทุกข์เพราะความจริงที่เกิดขึ้นนะเราต้องเห็นความจริงนะไม่ใช่ปฏิเสธความจริงความจริงที่เกิดขึ้นกับกายก็ดีความจริงที่เกิกกกดขึ้นกับใจก็ดีอ๋อเราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะ เห็นมันเกิดขึ้นนะแล้วกไ็ไปเอาไม่ไปยึดมันนะหรือบางทีสติเราไม่ทันนะเราก็ไปหลงยึดหลงไปเป็นบ้างเมื่อเรารู้ทันมันก็เหมือนกคล้ายมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความหลงตื่นขึ้นมาจากความยึดมันก็วางไปนะอันนก็เป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมดังนั้นนะเราเพียงแค่เห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจโดยไม่เข้าไปเป็นนะเราสังเกตดูนะ เราจะเคลื่อนไหวร่างกายก็ดีจะส่วนไหนก็ดีเราเพียงแค่เป็นเพียงผู้เห็นนะให้แยกให้แยกสติออกมาเป็นผู้เห็นเห็นกายเคลื่อนไหวสติเพียงเพียงแค่ผู้เห็นนะเมื่อใจมันคิดนึกปรงแต่งจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็มีสติเป็นผู้เห็นอีกทีหนึ่งนะสติคือทำหน้าที่เป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูนะผู้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจบ้างเนี่ยเราแยกออกตรงนี้นะแยก จิตที่มีสติให้เป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็สังเกตความเป็นไปของกายของใจนะโดยที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะก็ดูมันจะเฉยนะแล้วก็เดินดูนั่งดูนอนดูกินข้าวดูทํางานไ ป, ด, นไปนะดูไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆมันแสดงอะไรมันแสดงละครนะละครนะถ้าเราไปเป็น ถ้าเราไม่เป็นเพียงแค่ผู้ดูนะเราจะเป็นผู้สแสดงไปกับเขานะบางทีเราก็ไปกลายเป็นผู้กำกับนะไปวิพากษ์บ้างไปวิจารณ์บ้างก็มีนะเป็นเรียกว่าเราหลงไปเข้าไปเป็นแต่ ถ, ถ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูนะแล้วก็ดูมาเฉยๆนะมันจะสุขมันจะทุกข์ก็เป็นเรื่องของมันนะเราไม่ได้มีหน้าที่ไปกำกับไม่ได้มีหน้าที่ไปแสดงไม่ได้มีหน้าที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ celand, นะเราสังเกตหมบางทีความคิดเกิดขึ้นกับใจของเรานะบางที เราก็จะดองไปยึดว่าอันนี้มันดีอันนี้เราชอบอันนี้ไม่ดีอันนี้เราไม่ชอบนะมันก็มีแต่เอานะมีแต่เราเข้าไ ป, ไปดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะเรารู้ทันมันเร็วๆนะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะมันเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ทันแล้วก็วางมันไปการที่เรามีฝึกให้มีสติเพื่ออะไรสติคือการดะลึกได้อย่างรวดเร็วนะระลึกได้อย่างทันท่วงทีนะไม่ใช่ว่า โกรธเมื่อวานนี้เพิ่งเลิกได้ว่าเออเมื่อวานมันโกรธอันนี้มันช้าไม่ใช่นะเช่นสมมตินะยงกัดขึ้นมาจิตใจมันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะเรารู้ทันนะรู้ทันเลยอ๋อมาเกิดความไม่พอใจนะเกิดความอยากจะไปปัดอยากจะไปตบอา้าวรู้ทันลนะไม่ทําตามมันเพราะมันผิดศีลมันนะคือเรามีสติรู้ทันตรงนี้นะไม่ใช่อ๋อ จบไปแล้วนะสิตัวเพิ่งระลึกได้ว่าโกรธไม่พอใจอันนั้นสติมันมาช้ามาไม่ทันนะเราต้องฝึกสติให้มันทันเร็วๆนี่แหละฝึกทันรู้ทันความโกรธรู้ทันความโลภรู้ทันความหลงรู้ทันความคิดนะอันนี้คือสติมันจะรู้ทันนะมันต้องเกิดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยรู้นะไม่ใช่ไปดักดูนะเช่นยุงมาบินมานะบินมาแล้วนะ เราจะไปดูเมื่อใ่มันจะโกรธนะเมื่อใดมันยงจะกัดแล้วดูความโกรธไม่ใช่นะมันบินมากัดแล้วก็ เ, เกิดความโกรธเราค่อยรู้ว่ามันโกรธไม่ใช่ไปดักดูนะนะไม่ใช่นะอันนี้คือเหมือนกันนะเช่นเวลาจนะไปทานอาหารวันนี้มันหิวมากไม่ใช่อยากไปดูว่าเมื่อใ่ความความโลภเป็นแบบไหนไม่ใช่นะไม่ใช่ไปคอยจ้องดูนะถ้าคอยจ้องดูมันจะเหมือนกับแมวที่คอยจ้องอยู่บน อยู่ปากรูของหนูไม่มีหนูตัวไหนมันก้าออกมาหรอกแมวมาจ้องอยู่เหมือนกับคล้ายๆครๆคูถือไม้เรียวอยู่หน้าประตูอนะ่ะไม่มีเด็กคนไหนเขากล้าเดื้อตอนครูถือไม้เรียวนะอนะแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ธรรมชาติของของเด็กไม่ใช่ธรรมชาติของหนูแล้วที่เราก็เหมือนกันถ้าเราไปคอยจ้องดูอะไรมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของจิตนะเพราะจิตมันจะไม่เป็นธรรมชาตินะทนนั้นเราการปฏิบททัติธรรมเราไม่ได้ไปคอยจ้องดูนะ แต่เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราค่อยดูมั น, นเกิดขึ้นจะเป็นไงก็แล้วแต่ที่จริงนะเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับจิตนะมันกับดีเพราะอะไรเห็นกิเลสเกิดขึ้นมันจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้คือกิเลสเห็นเกิดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะละมันจะได้วางได้ถ้าเราไม่เห็นนะเราจะละเราจะวางไม่ได้เหมือนกับเราไม่เห็นขยะเราจะเก็บขยะไม่ได้นะ กับน้ําที่มันมีตะกอนถ้าเราไม่ตักตะกอนทิ้งนะตะกอนก็นอนก้อนอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่สะอาดหรอกดูภายนอกมันสะอาดนะแต่ที่จริงตะกอนมันนอนก้นจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่เห็นกิเลสนะเราก็จะคิดว่ากิเลสมันไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเรากดเราข่มมันไว้นะพยายามที่จะแบบทําให้มันชัดเกินไปนะหรือตั้งใจมากเกินไป เข่งจ้องมากเกินไปไอ้พวกนั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นสมถะกรรมฐานมันจะกลายเป็นการกดเป็นการขมอารมณ์นะหรือบางทีมันเจนยิ่งเกินไปนะ น, นั้นการปฏิบัติธรรมปล่อยให้กิเลสมันเกิดขึ้นโดยเป็นธรรมชาตินั่นแหละนะแต่เพีงเยงแต่ว่าเราคอยมีสติรู้ทันให้มันเร็วนะรู้ทันมันเร็วนะยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะนะคิดมารู้ทันนะหลบไปรู้ทันกดขึ้นมารู้ทันนะ จะคิดบวกคิดลบก็ตามก็รู้ทันมันนี่เป็นธรรมชาติหลวงพ่อเทียนท่านบอกว่าการรู้ทันความคิดเนี่ยคือการได้ต้นทางของการภาวนาของการปฏิบัตินะนะการที่เรายกมือเคลื่อนไหวก็ดีเดินจงกรมก็ดีอันนั้นเป็นเคียงแค่รูปแบบที่ทําให้เราเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นนะเพราะว่าอะไรถ้าจิตของเรามันอยู่เฉยเฉยะมันส่วนใหญ่มันจะลอยนะถ้าไม่ลอยก็จมเข้าใจไหมลอยเช่นลอยไปกับ การมือการลอยการคิดฟุ้งซ่านไปนะหรือบางทีก็จมนะไปจมกับอดีตเคยสุขจมกับอดีต ท, ที่เคยทุกข์นะไปจมกับความกังวลในอนาคตอะไรางบี้คือบางทีเราก็ลอยเราก็จมไปกับอารณ์เนี่แหละนะนะมันต้องลอยไปบ้างไปจมกับสุขกับทุกข์ในอดีตบ้างในอนาคตบ้างแต่การที่เรามีรูปแบบเช่นการยกมือเคลื่อนไหว หรือการเดินจงกรมหรือการทําอะไรก็แล้วแต่แล้วเราคอยรู้ทันว่าออได้ลึกรู้ว่าตอนนี้ยกาลังทําอะไรยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนทานข้าวก็รู้ว่าทานนะล้างจานก็รู้ว่าล้างนะแต่จริงไม่ใช่แค่รู้ว่าเราทำอิรยาบทไหนแต่จริงถ้าโดยให้มันละเอียดก็นันคือเรารู้ถึงการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติรู้ว่ารูป มันเคลื่อนมันไหวที่จริงแล้วถ้ารู้โดยแท้จริงแล้วมันไม่มีภาษาที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําอะไรต่างๆมันดูเพียงแค่ว่ามันมีการเคลื่อนไปของรูปมีการหยุดไปของรูปนะมีการเปลี่ยนแปลงไปของรูปนี้นะมันเป็นสภาวะที่มันแค่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปนะอันนี้เราก็รู้ไปแบบนั้นถ้ารู้ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นนะรู้เพียงแค่มันเคลื่อนมันไหวมันทุกข์มันสุขอะไรต่างๆที่เกิดขึ้น เดี๋ยบางทีเราก็รู้ทันว่าตาเราไหวไปดูแล้วหูเราไหลไปฟังแล้วจะมูกไปได้กลิ่นลิ้นดิ้มรสกายสัมผัสกับเย็นอนอ่อนแข็งหรือจิตใจคิดนึกปรงแต่งเกิดขึ้นเนะี่ยเรารู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับอายตนะทั้ ง, ต, งต่างนี่แหละคือการที่เรารูหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปนี้ก็ได้หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามก็คือเรื่องของจิตใจแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันสิ่ที่กระทบนะ กระทบทางตาแล้วเกิดความยินดีอ่ะรู้ทันกระทบทางหูล้วเกิดความยินร้ายรู้ทันเนะี่ยรู้ทันที่ใจขึ้นมาเนี่ยเนี่ยตติจะทำหน้าที่ตรงเนี้ยตติถ้าเรามีสติรู้ทันกายรู้ทันใจนะตติจะเป็นตัวป้องกันทาให้เมื่อความคิดไม่ดีเกิดขึ้นเราก็ไม่ทำตามความคิดนะเมื่อความคิดที่ดีเกิดขึ้นบางทีก็ไม่หลงไปจมกับความคิดนั้นนะบางทีคิดดีก็ต้องรู้จักวางเหมือนกันนะ คิดดีทุกครั้งก็ไม่ใช่จะไปทําทุกครั้งนะบางทีเราสังเกตว่าบางทีเดินจงกรมนะเดินจงกรมอยู่ดีนะไปเห็นนะคนนั้นอย่างบางคนเนี่ยเก็บอารมณ์เข้มนะที่วัดเพิ่งเก็บอารมณ์เข้มไปสี่สิบวันนะก็มีมีคนมามาสอบถามอยู่เหมือนกันบอกว่าอยากจะไปทําฟันนะเพราะอะไรบอกฟันมันผุแล้วก็ถามว่าผุมานานหรือ ย, ยังเอามาก็ถามไปเขาบอกว่า ผูกมานานหลายเดือนแล้วนะแต่ช่วงนี้เก็บอารมณ์คิดว่าว่างๆจะไปทําฟันให้มันหายก็ดีคืออะไรเพราะว่าใจมันไม่อยากอยู่กับการเดินจงกรมไม่อยากอยู่ในรูปแบบหาข้ออ้างที่จะไปทํานั่นให้มันเรียบร้อยซะหรืออยากจะกลับวัดไปเอานั่นามาให้เรียบร้อยเพื่อว่าพอออกจากเก็บอารมณ์แล้วจะได้ไปทำํำทุระต่อให้เรียบร้อยคือความคิดมันหลอกเรามันหลอกให้เราไปทํานั่นทํำนี่อะ่ะทให้เราไม่อยากไปเดินจงกรมไม่อยากไปภาวนาะ หรือบางทีนะพระในบางพรรษานะบอกว่าเก็บอารมณ์นะแต่ทางเดินจงกรมนี่แต่งทุกวันนะก็มีนะที่กุตินะเห็นนั่นก็ไม่เรียบร้อยเห็นนี้ก็ไม่สะอาดไปปัดไปกวาดไปถูนะไปตัดนะก็มีเพราะอะไรมันหลอกให้เราไปทํานะมันหลอกให้เราไปหลงนะไปหลงทํานั่นทนํานี่นะแต่ถ้าเรารู้ทันนะอ๋อมันไม่ใช่เวลาไม่ใช่กิจนะไม่ใช่หน้าที่ในะตอนนี้นะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าการภาวนาคือการไม่ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเดินอย่างคมอย่างเดียวนะหรือเรายกมืออย่างเดียวแต่ในช่วงที่เราตั้งใจจะภาวนาในรูปแบบเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะแม้จะมีความล่อความหลอกความเบื่อความเหนื่อยความง่วงขนาดไหนขอให้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวไปเลยทำไปเลยนะทำไปเลยตั้งใจทําไปเลยแต่ตอนไหนที่เราต้องทําการทํางานที่เราต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน เขเพียงแต่ ว, ว่าให้ตั้งใจว่าจะคอยมีสติรู้ทันกายรู้ทันใจให้มันได้มากขึ้นนะั่นนะการพาวนาก็เลยมีตั้งสองตั้งสองอย่างขนาดที่เราทําในรูปแบบก็ต้องแบบตั้งใจเด็ดขาดไปเลยนะมันจะง่วขนาดไหนเราจะเดินแบบนี้แหละนะเราจะยกมือแบบนี้แหละนะมันจะเจ็บขนาดไหนบางทีก็ทนดูยอมดูนะบางทีมันอ้างโอ้ปวด ถ่ายแล้วปวดเบาแล้วที่จริงบางทีไม่ได้ปวดนะมันอยากจะลุกขึ้นไปเดินไปเข้าห้องน้ําไปล้างหน้าไปยืดยืดเส้นยืดสายนิดนึงก็ยังดีนะบางทีมันก็บอกเราแบบนี้นะเราต้องรู้ทันเร็วๆนะอย่างพุทธเจ้าวันที่ท่านจะตัดสุดูนะท่านตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าแม้เลือดเนื้อเหงื่อเอ็นจะเหงื่อแห้งไปก็ตามตราบใดที่เรายังไม่เป็นรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่ากิเลสจะไม่หมดเนะีะเราจะไม่ลุกจากอาสนะจากที่นั่งนี้ ท่านอธิษฐานจิตขนาดนั้นนะตอนในขั้นเด็ดขาดที่เราจะแบบเด็ดขาดกับเรียกว่ากับกิเลสต่างๆเนี่ยยอมตายถวายชีวิตนะเพื่อให้กิเลสตัณหามันหมดไปจา ก, กจิตใจนะบางทีเราก็ต้องเด็ดขาดแบบนั้นบ้างนะเด็ดขาดบ้างนะแต่บางขนาดที่เราต้องเกี่ยวข้องกับการงานเราก็ต้องอาศัยการการบางใจเข้าไปช่วยอ๋อเราต้องไปล้างจานเนาะเราต้องไปทํางานเนาะเราต้องไปกวาดบ้านเนาะอะไรต่างล้วก็คอยมีสติ รู้ทันไม่ให้มันหลงไปกับความคิดไปหลงไปกับอารมณ์รู้ทันอารมณ์ที่กระทบเข้ามาจากการทำงานกับเพื่อนนะจากการนอนกับเพื่อนนะบางทีก็เป็นการฝึกที่ดีนะบางทีอยู่บ้านอาจจะนอนคนเดียวออตอนนี้มาหยุดที่วัดมานอนกับเพื่อนบางคนกลบางคนขยับตัวบ่อยบางคนเข้าห้องน้ำบ่อยนอนไม่ค่อยอิ่มตื่นตีสามตีสี่ 3, 4, มาทำวัดนอนไป คิดว่าตัวเองไม่เคยตื่นขนาดนี้บางทีความคิดความามันก็จะอ้างไปเนาะเราก็าใส่บาที่อดทนอดกั้นบ้างเรียนรู้กันไปบ้างนะถือว่าเป็นการฝึกทั้งนั้นนะถ้าเราว่าเอาศัยโ อ, อกาสในการมาอยู่วัดป่าสุโกโตนในครั้งนี้เนาะทุกเวลา24ชั่วโมงคือการฝึกของเราเนาะตั้งแต่ตื่นจนะทั่งหลับหรือแม้แต่ตอนหลับถ้ามันตื่นขึ้นมาอีกก็เป็นการฝึกนะไม่เป็นไร เพื่อนจะเข้าห้องน้ําดังบ้างนะจะโกลบบ้างก็ไม่เป็นไรยุงจะเข้าม า, าบินรอบหูบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเป็นการฝึกดูใจของเราว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นไหมรู้ทันมันไหมวางมันได้ไหมบางคนภาวนาในรูปแบบได้ดีนะนะเดินได้นานนั่งได้นานแต่พอเจออารมณ์กระทบนิดหน่อยนะกระเทือนไปนานก็มีนะเจออะไรงดหงิดนิดนึงก็เก็บไปคิดนะ ไปไม่พอใจก็มีไปตําหนิคนอื่นหรือบางทีก็ตําหนิตัวเองก็มีอันเนี้ยที่จริงเป็นการฝึกทางนั้นนะเราเห็นอ้อความคิดเกิดขึ้นด้ทันโกรธเกิดขึ้นด้ทันไม่พอใจเกิดขึ้นด้วยทันเราจะเห็นในนะวันทั้งวันเนี่ยใครจะว่าเออเราเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยหงุดหงิดนะถ้าปฏิบัติทําดีๆนะ่าจะเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นในใจเราบ่อยมากนั่นนิดนุน่นหน่อยอา่าก็หงุดหงิดละหงุดหงิดกระเทือนนิดนึงนะมันจะเห็นในว่าใจเราก็เทือน ใจมันก็เพิ่มนะใจก็เพื่มนิดนึงเ่ยถือว่ามันบั่นไหวไปแล้วมันเสียจากความเป็นปกติไปแล้วนะหรือบางทีก็กระเทือไปทางบวกก็ดีบางทีภาวนาไปอารมณ์บุญมันมากอารมณ์อยากจะทําดีนะอารมณ์เคลิ้มเอยากจะไปบอกลูกบอกหลานบอกเพื่อนนะอยากจะไปแนะนําคนนั้นคนนี้บางทีก็อารมณ์ทําให้เราคิดไปหรือบางทีเราฟังทำมากๆปฏิบัติทำมากๆบางทีอารมณ์เทศซ้อน นะก็มีนะก็คิดไปที่จริงจะเป็นอารมณ์บวกก็ดีอารมณ์ลบก็ดีนะที่มันเกิดขึ้นกับจิตเราคอยทาหน้าที่รู้ทันมันเร็วๆอันนี้แหละคือความไหวไปของจิตนะเราฝึกให้จิตกลับมาเป็นปกตินะที่หลวงพ่อคเขียนท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือเรียกว่าการกลับมานะกลับมาสุ่ความเป็นปกติของจิตนะเรากลับมาสุ่ความเป็นปกติก็คือกลับมารู้สึกตัวนี่แหละนะ กลับมารู้สึกตัวก็คือจิตเป็นปกติแล้วนะแต่ไม่ใช่กลับแบบดึงมานะไม่ใช่แบบพยายามจะดึงอารมณ์เข้ามาหรือไม่ใช่กลับแบบห้ามไม่ให้อารมณ์มันคิดไม่ให้อารมณ์มันไหวไปไม่ใช่เช่นั้นเพียงแต่เรารู้ทันมันจะเฉยรู้ด้วยใจเป็นกลางรู้ด้วยใจตั้งมั่นนะรู้แล้วแบบไม่เจือด้วยความอยากในด้านใดเลยนั่นแะหละจิตจะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะ เหมือนกับรมที่มันพัดผ่านมาผ่านไปนะถ้าเราไม่ถ้าเราแบบแค่รู้เฉยๆว่ามันผ่านมาผ่านไปนะจิตใจของเราก็จะเป็นปกติเช่นนั้นนะความคิดที่มันผ่านมาผ่านไปอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นผ่านมาผ่านไปถ้าเราไม่ไปเป็นกับมันนะมันก็เป็นเพียงแค่นั้นนะมันเปลี่ยนเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นนะแต่ไม่มีเราก็เป็นผู้ยึดนะไม่เป็นผู้ถืออันนี้แหละนะเราก็ทาหน้าที่ในการดูตรงนี้นะ ดูแล้วก็ไม่ไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเอากับมันอันนี้คือการภาวนาทั้งนั้นเราพยายามใช้เวลาในตรงนี้แหละในการดูนะดูในเบื้องต้นก็การมีสติรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวหรือว่ากายที่ทาอะไรต่างๆก็คือมีสติรู้รูปนะแล้วก็มีสติรู้นามนามคือความคิดคืออารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคอยมีสติรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นกั บ, ก, บกับใจหรือว่านามธรรมเนี่ย จะเกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคอยมีสติอยู่เสมอนะจะบวกก็ตามจะลบก็ตามนะคือการภาวนาถ้าเราสามารถตั้งต้นการภาวนาในการรู้กายรู้ใจของเราได้ในตอนนี้นะเราก็จะเอาการภาวนาตัวนี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราได้ถ้าชีวิตประจำวันของเรานะจะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ดีจะเป็นโยมก็ดีนะเรามีกายมีใจเหมือนกันแหละไม่ได้ต่างกันเลยนะเพียงแต่รูปแบบนะหน้าที่ ความสะผิดชอบต่างกันเท่านั้นแต่ความทุกข์มันไม่เลือกว่านี้คือพระนะจะทุกข์น้อยกวโยมคนอยู่วัดจะต้องสุขหรือว่าทุกข์น้อยกวโยมไม่ใช่นะความทุกข์มันมีอยู่ในกายในใจทุกคนมันอยู่ที่ว่าเรารู้ทันมันได้เร็วไหมถ้าใครมีสติรู้ทันได้เร็วความทุกข์ก็เกิดขึ้นน้อยถ้าไม่ถ้าใครมไม่มีสติหรือว่ามีสติเกิดขึ้นน้อยนะก็ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาก อันเนี้ยมันอยู่ที่สติทั้งนั้นนะเราพยายามฝึกกันเนาะถ้าเรามีสติรู้ทันมันก็จะเหมือนกับไฟที่เรารู้ทันว่ามันไหม้ตั้งแต่กองน้อยๆน่ะพอเรารู้ทันมันก็จะดับได้เร็วแต่ถ้าเมื่อใ่ที่เรารู้ทันว่าไฟมันไหม้มามากแล้วนะต้องเรียกรถตับเพลิงมาดับเมื่อนั้นมันก็อาจจะมอดไหม้หรือดับไม่ทันการแล้วจิตใจของเราก็เหมือนกันเราฝึกตอนที่เรามันยังไม่ทุกข์มากนี่แหละไม่เป็นสิ่งที่ดีนะถ้ารอให้มันทุกข์มากแล้วเราค่อยมาฝึก บางทีมันอาจจะคิดมากอ่าหรือว่าบางทีแก่มากๆก็อาจจะเจ็บมากนะหรือตอนใกล้จะตายค่อยมาฝึกแล้วบางทีมันปล่อยวางได้ยากนะดังนั้นเราฝึกตอนที่เรายังไม่เจ็บมากยังไม่ป่วยมากนะยังเรียกว่ามีความทุกข์ทางกายน้อยหรือบางทีมีความทุกข์ทางใจน้อยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้เรามีวัคซีนป้องกันจิตใจให้มันทุกน้อยลงไป หรือว่าไม่ทุกเลยอันนี้คือสิ่งที่เราภาวนากันเนาะก็เป็นการพูดนะให้กําลังใจแล้วก็ให้แง่คิดแล้วก็ให้การวางใจในการภาวนาแต่เรื่องการภาวนาก็ต้องเป็นเรื่องของของพวกเราทุกคนนะของพระก็ดีของแม่ชีก็ดีของญาติโยมก็ดีก็ต้องเป็นเรื่องของเราทุกคนไม่มีใครสามารถช่วยกันได้น ะ, ะตัวของผมเองตัวอนรมาเองก็ต้องฝึกในการดูกายดูใจของเราเองนะทำได้เพียงแค่บอกแค่สอน คนอื่นบ้างที่จริงก็คือการกา ร, การบอกการสอนตัวเองด้วยในการที่กลับมาดูกายดูใจตัวเองด้วยนะพวกเราหนะ้าที่ก็เหมือนกันถ้าเราทําหน้าที่ในการสอนตนเองอยู่เสมอถ้าเราสอนตัวเองอยู่เสมอก็คือไปการสอนคนอื่นอยู่เสมอด้วยนะเราสังเกตไ้ ม, ไมเวลาเราภาวนาแล้ว เ, เพื่อนตั้งใจภาวนานะเออเราก็มีกําลังใจนะหรือบางทีเราเห็นพระเห็นหลวงพ่อเห็นครูบาอาจารย์ถ้ามีสมาธิมีสติดีเออเราก็เห็นวนะ่าเออแบบอย่างในการภาวนา ที่ดีเป็นแบบนี้เราก็มีกําลังใจนะมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากขึ้นนั่นเนี่ยถ้าเราบอกเข้าสอนตัวเองอยู่เสมอถ้าเราเตือนตัวเองได้อยู่เสมอเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีมากๆนะถ้าเราบอกถ้าเราสอนไม่ได้เตือนเองไม่ได้ก็ต้องอาศัยผู้รู้คอยเตือนคอยสอนบ้างนะก็จะทําให้เราเรียกว่าเข้าล็อกเข้ารอยเข้าร่องมากขึ้นนะเนี่ยนะก็อย่าไปโกรธนะอย่าไปเกลียดคนอื่นที่เขาบอกในทางที่ดีนะ ต้องขอบคุณต้องเรียกว่าทําตามในสิ่งที่คนแนะนําสั่งสอนเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะฉันั้นในการใช้ชีวิตของเราก็จะเป็นในการดําเนินทางปลุกความไม่ทุกข์นะแล้วก็จะเป็นการบอกสอนหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นในการใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงไปด้วยเนาะก็อนุโมทนากับกับทุกท่านที่ได้มามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรม ให้เขาถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเธิน